มิจฉาสมาธิพาไปหาบาปหากรรมการสร้างพลังจิตหรือสมาธิเป็นหลักธรรมกลางๆไม่ได้สังกัดในลัทธิและศาสนาใดทั้งสิ้นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามหรือคนไม่มีศาสนาปฏิบัติสมาธิได้ทั้งนั้นแต่สมาธิอันใดที่ไม่มีศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยสมาธิอันนั้น ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นบาป พ, พ้นกรรมเช่นอย่างพระที่เรียนวิชาอาคมในทางเรียกเจตพูดหรือเรียกวิญญาณคนได้เขาถามชื่อเราและเอาชื่อเราไปเขียนลงในกระดาษเอาไปคว้นเป็นไส้เทียนแล้วก็มานั่งบริกรรมภาวนาพอได้ที่แล้วคนที่ถูกเขียนชื่อลงนั่นจะรู้สึกตัวว่าใครทำอะไรที่ไหนพอตื่นเช้าจะรีบวิ่งไปหาเขาทันที อันนี้สมาธิแบบนี้เรียกว่าสมาธิประเภทมิจฉาสมาธิทีนี้พระที่มีฤทธิ์ทางใจใช้อำนาจใจหรืออำนาจจิตนี่ไปบังคับใครให้มาเคารพนับถือเราแล้วก็ให้เอาโพกขสัพสมบัติมาบํารุงบํรเรเราช่วยเราสร้างวัดสร้างวาโดยถูกวิชาอาคมนั้นบังคับพระองค์ได้ไปทำเช่นนั้นมีค่าเท่ากับมหาโจรไปจี้ปล้น เพราะว่าคนที่นอนหลับไม่รู้นอนคูไม่ตื่นไม่รู้เนื้อรู้ตัวอา้าวอยู่ๆมันก็ถูกบังคับจิตให้เอาเงินไปให้เขามันก็มีค่าเท่ากันกับจี้ปล้นประเภททั้งหลายเหล่านี้มันเป็นประเภทมิจฉาสมาธิ